เจรินพรท่านสาธุชนพุทธบริษัผู้มีจิตใฝ่ธรรมทุกๆท่านวันนี้เป็นวันที่หนึ่งเมษายนพุทธศักราช2550เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้มาวัดเพื่อมาทำบุญทำทานมาฟังเทศฟังธรรม ตามแต่เหตุของแต่ละท่านบางท่านก็มาเพราะวันนี้เป็นวันเกิดบางท่านก็มาเพราะเป็นวันคล้ายวันตายของคนที่เรารักไปเราก็มาทำบุญอุทิศ ส, ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วบางท่านก็มา เป็นปกติเป็นนิสัยเมื่อถึงวันเสาร์วันอาทิตย์หรือวันพระพอมีเวลาว่างจากภารกิจการงานก็ต้องมาทำบุญมาลักษาศีลมาปฏิบัติธรรมมาฟังเทศฟังธรรมกันเพราะเมื่อได้ปฏิบัติแล้วก็จะเกิดบุญคือความสุขใจขึ้นมานั่นเอง บุญนี้หรือความสุขใจนี้ต้องเกิดจากการกระทำที่เรียกว่าบุญนะการทำบุญเมื่อทำแล้วก็จะเกิดผลคือบุญคือความสุขใจขึ้นมาการทำบุญนี้ก็มีหลายระดับด้วยกันแต่ก็พุ่งไปที่จิตใจพุ่งไปที่ความสุขใจที่เกิดจากความสงบของใจ บุญจึงการกระทำบุญจึงเป็นการทำจิตใจให้สงบด้วยวิธีการต่างๆอยู่ที่ความสามารถความเข้าอกเข้าใจของแต่ละท่านที่จะนำเอามาปฏิบัติกันถ้ามีความสามารถมากมีความเข้าอกเข้าใจมากก็จะทำได้มากทำได้หลายระดับด้วยกัน แต่ถ้ามีความสามารถน้อยมีความเข้าใจน้อยก็จะทําได้น้อยคนที่ทําได้น้อยก็คือคนที่ทําแต่ทําบุญให้ทานอย่างเดียวคือทําแต่ทานคือให้สิ่งของต่างๆแก่ผู้อื่นอย่างนี้เราเรียกว่าทานก็เป็นบุญอย่างหนึ่งแต่คนที่มีความาความสามารถมากกว่านี้ มีความเข้าใจถึงผลบุญมากกว่านี้ก็จะรักษาศีลการรักษาศีลก็ทำให้จิตใจสงบทำให้จิตใจมีความมีความสุขขึ้นไปอีกระดับหนึ่งบางท่านก็มีความสามารถมากมากกว่านั้นอีกก็จะภาวนาการภาวนาก็เป็นการทำจิตใจให้สงบ อีกระดับหนึ่งให้ความสุขอีกระดับหนึ่งเป็นความสุขที่ละเอียดขึ้นไปลึกซึ้งขึ้นไปและมีความหนักแน่นมากยิ่งขึ้นไปถ้าเรามีความสุขความสงบของใจที่ที่หนักแน่นและมั่นคงแล้วต่อไปจะเป็นเกราะคุ้มกันความทุกข์ต่างๆ ไม่ให้เข้ามาเหยียบย่ำทำลายจิตใจไม่ให้มาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับเราได้เราจึงควรให้ความสำคัญต่อการทำบุญอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องอย่าทำเพียงแต่เฉพาะวันสำคัญสาคัญเท่านั้น เพราะเป็นเหมือนกับการรับประทานอาหารถ้าเรารับประทานอาหารเฉพาะวันสำคัญสาคัญเช่นวันเกิดของเราหรือวันคล้ายวันตายของคนที่เรารักหรือวันขึ้นปีใหม่วันเทศกาลต่างๆก็จะไม่พอเพียงต่อการดูแลรักษาร่างกายใจของเราก็เป็นเหมือนร่างกายที่ต้องได้รับการดูแล รักษาด้วยบุญเราทำบุญได้มากเท่าไหร่ใจของเราก็จะมีความสงบมีความอิ่มมีความสุขมากขึ้นไปเท่านั้นการทำบุญจึงเป็นสิ่งที่เราสามารถเราควรทากันและทำได้ทุกสถานที่และเวลาไม่จำเป็นจะต้องมาที่วัดเพียงแห่งเดียวเราสามารถทำทานได้ เสมอไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนถ้ามีผู้เดือดร้อนเราเห็นเข้าเราช่วยเหลือเขาเห็นเขาไม่มีอาหารรับประทานเราก็หาอาหารมาให้เขารับประทานอย่างนี้ก็เป็นบุญเหมือนกันไม่ว่าจะทำกับใครผลคือความสุขความสงบของใจก็เป็นเหมือนกันทำกับพระก็เป็นบุญ ทำกับคารวาดญาติโยมก็เป็นบุญทำกับสุนัขทำกับแมวทำกับนกก็เป็นบุญเหมือนกันเพราะเมื่อเราทำแล้วเรามีความสุขใจความสุขใจนี่แหละคือบุญดังนั้นอย่าไปเข้าใจว่าเวลาเราทำกับผู้อื่นที่ไม่ใช่เป็นพระ เราจะไม่ได้บุญเราจะได้ทานความว่าทานกับคำ ว, ว่าบุญนี้ก็เป็นคำใกล้เคียงกันทานนี้เป็นเหตุทาแล้วก็จะทำให้เกิดผลคือบุญขึ้นมาทานแปลว่าการให้ให้ใขรก็ได้ให้พระก็ได้ให้คนธรรมดาก็ได้ให้สัตว์เดรัจฉานก็ได้ เรียกว่าเป็นทานเหมือนกันเมื่อให้แล้วก็จะเกิดผลคือบุญขึ้นมาคือความสุขใจผลที่จะเกิดขึ้นคือความสุขใจนี้จะมีมากมีน้อยก็ขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์ของใจของผู้กระทําถ้าทําด้วยความบริสุทธิ์ใจคือไม่ ต้องการผลตอบแทนจากผู้ที่เราให้คือไม่ต้องการให้เขาขอบอกขอบใจไม่ต้องการให้เขาสำนึกในบุญในคุณไม่ต้องการให้เขาทำอะไรให้กับเราทั้งสิน้นก็จะได้บุญมากจะมีความสุขใจมากแต่ถ้าเราทำเพราะเราต้องการสิ่งตอบแทนทำเพื่อให้เขา ขอบอกขอบใจเราทำให้เา้าทำเพื่อให้เขาเคารพเชื่อฟังเราถ้าเกิดเขาไม่ทำตามที่เราต้องการเราก็จะเกิดความเสียใจเกิดความผิดหวังเกิดความโกรธขึ้นมาได้ก็จะกลายเป็นบาปไปเพราะความเสียใจความผิดหวังความโกรธนี้ก็เป็นอกุศลคือสร้างความทุกข์ให้กับใจ ดังนั้นถ้าเราอยากจะได้บุญมากๆในเวลาที่เราช่วยเหลือผู้อื่นก็ขอให้เราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจเช่นปิดทองหลังพระอย่างนี้เรียกว่าเป็นการทาที่บริสุทธิ์ใจคือไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าเราได้ทำความดีเราทาไปไม่ต้องเขียนชื่อติดไว้ตามสถานที่ต่างๆว่าเราได้มาสร้าง แทงน้ำสร้างกุฏิสร้างที่พักอะไรต่างๆอย่างนี้ก็ได้บุญเหมือนกันแต่ได้ไม่มากเท่ากับคนที่ทำโดยที่ไม่เขียนป้ายติดเอาไว้บอกว่าเขาได้มาทำสิ่งนั้นสิ่งนี้การทำบุญทำทานนั้นอยู่ที่ใจเป็นหลักใจทำด้วยความ บริสุทธิ์ใจก็จะได้บุญมากนะและสิ่งที่ให้นั้นก็มีหลายอย่างด้วยกันไม่เฉพาะเพียงแต่เข้าวของเงินทองต่างๆอย่างที่วันนี้ญาติโยมนําเอาสิ่งของต่างๆมาถวายพระเอาเงินทองมาถวายวัดอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นการให้วัตถุแปลว่าวัตถุทานเรียกว่าวัตถุทาน นอกจากวัตถุแล้วยังมีสิ่งอื่นที่เราให้กันได้เช่นวิทยาทานคือให้วิชาความรู้เรามีความรู้ความสามารถในวิชาอะไรเรานำเอามาสั่งสอนผู้อื่นโดยไม่เรียกค่าตอบแทนถ้าเรามีวิชาเรารู้รู้วิชาภาษาอังกฤษ เราเอาภาษาอังกฤษนี่มาสอนคนอื่นโดยที่ไม่เก็บตังค์ไม่เรียกค่าตอบแทนอย่างนี้ก็เป็นการทาบุญเหมือนกันเป็นการให้วิทยาทานแล้วก็มียังมีการให้อภัยเรียกว่าอภัยทานการให้อภัยหมายถึงการไม่โกรธแค้นโกรธเคืองผู้ที่สร้างความ เก็บช้ำน้ำใจสร้างความเดือดร้อนให้กับเราแทนที่จะโกรธแทนที่จะอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมเราก็ถือโอกาสนี้ทำบุญไปเลยไม่ต้องไปวัดให้เสียเวลาทำได้ในขณะที่กำลังเกิดความโกรธแค้นโกรธเคืองขึ้นมาถ้าเราให้อภัยได้ใจของเราก็จะกลายเป็นพระเป็นเทพไป ถ้าเราไม่สามารถให้อภัยได้ใจของเราก็จะกลายเป็นยักษ์เป็นมารไปเพราะการจะเป็นเทพก็ดีเป็นพระก็ดีเป็นยักษ์เป็นมารก็ดีก็อยู่ก็เป็นกันที่ใจนี้เองถ้าใจสงบเย็นมีความเมตตามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความสงสาร มีการให้อภัยแก่ผู้อื่นใจก็จะเป็นใจพระใจเทพขึ้นมาถ้าใจมีความโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทคิดบองร้ายผู้อื่น mm hmm. ก็จะกลายเป็นใจยักษ์ใจมารไปนี่คือการให้ชนิดที่สที่เรียกว่าอภัยทานและ การให้ชนิดที่สก็คือธรรมทานการให้ธรรมะคือให้ช่วยกันเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยตัวเราเองก็ดีหรือด้วยการพิมพ์หนังสือธรรมะดีๆแจกให้กับผู้อื่นโดยไม่คิดค่าตอบแทนแจกฟรีเพื่อให้ผู้อื่น ได้มีโอกาสได้รู้ได้เข้าใจถึงสิ่งที่ดีที่พระพุทธเจ้านำมาสั่งสอนให้กับพวกเราเพราะคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นสิ่งเดียวในโลกที่จะช่วยให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ช่วยให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ ช่วยให้เราพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ที่เกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วยที่เกิดจากความตายที่เกิดจากการพัดพรากจากกันไม่มีอะไรในโลกนี้จะทำให้เราอยู่เหนือความทุกข์เหล่านี้ได้นอกจากพรอธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านั้นสิ่งอื่นๆต่อให้เรามีมากน้อยเพียงไรก็ตาม เช่นสมบัติเข้าของเงินทองหรือตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์ที่สูงขนาดไหนก็ตามก็จะไม่สามารถดับความทุกข์ใจที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายจากการพัดพรากจากกันได้มีพระธรรมคำสอนเท่านั้นที่จะช่วยเราได้ทำให้เราไม่วุ่นวายไม่ทุกข์กับ ความแก่ความเจ็บความตายการพัดพากจากกันแต่เราต้องนำเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมาปฏิบัติกันเช่นท่านสอนให้เราทำบุญให้ทานเราก็ต้องทำบุญให้ทานกันให้ในสิ่งที่เรามีอยู่ไม่จำเป็นต้องไปหาในสิ่งที่เราไม่มีเพื่อเอามาให้ผู้อื่น อย่างนี้ไม่ใช่เป็นการทำบุญให้ทานเพราะจะเป็นความโลภโลภอยากจะทำบุญก็ก็ไม่ดีเพราะไม่ได้ทำให้มีความสุขใจเราทำเราให้ในสิ่งที่เราไม่อยู่สิ่งที่มันเหลือใช้สิ่งที่เกินความจาเป็นกับชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเข้าของเงินทองต่างๆก็ดีมีอะไรพอที่จะ ช่วยเหลือผู้อื่นให้ผู้อื่นได้เราก็ให้ไปเมื่อเราให้แล้วเราก็จะมีความสุขใจเพราะใจของเราได้ได้ชำระความห่วงความหวงความตเหนี่ความกังวลกับสิ่งกับเข้าของเงินทองที่เรามีอยู่นั่นเองเมื่อเราให้เข้าของเงินทองนั้นไปแล้วความหวงความหวงความกังวล ความตณีความยึดติดในเข้าของเงินทองนั้นก็จะหายไปเพราะไม่มีอะไรจ ะ, จะต้องห่วงอีกแล้วนั่นเองไม่มีอะไรจะต้องห่วงไม่มีอะไรจะต้องตณี <c oughs> เมื่อไม่มีความห่วงความหวงความตณีความกังวลใจก็โล่งใจก็สบายใจก็มีความสุขนี่เรียกว่าบุญที่เกิดจากการให้ ให้ในสิ่งที่เรามีถ้าเราไม่มีครับทรัพย์สินเข้าของเงินทองแต่เรามีความรู้ความสามารถในเรื่องหนึ่งเรื่องใดถ้าเราพอที่จะเอาไปสั่งสอนให้กับผู้อื่นเพื่อเขาจะได้รับประโยชน์เราก็เอาไปสั่งสอนผู้อื่นเราก็จะได้วิทยาทานก็จะได้บุญเหมือนกันเพราะเมื่อเราเห็นผู้อื่นได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เราสั่งสอน เช่นเขาพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นเราสอนให้เขาพูดจนพูดภาษาอังกฤษได้เขาก็อาจจะไปทํางานเป็นมักกุเทศพาชาวต่างประเทศไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ทําให้เขาเกิดมีรายได้ขึ้นมาได้ทําให้เขาช่วยตัวเขาเองได้เราก็จะมีความสุขที่เราได้ช่วยเหลือผู้อื่น เช่นเดียวกับการให้อภัยเพราะเมื่อเราให้อภัยผู้อื่นแล้วเราก็จะไม่ไปทุบตีไม่ไปด่าไม่ไปว่าเขาไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับเขาเราก็จะมีความสุขขึ้นมาว่าเราได้ทำความดีได้ได้ทำให้เขาสบายใจ ท, ทั้งที่เขามาสร้างความเดือดร้อนให้กับเรา แต่เรากับไม่ถือโทษโกรธเคืองเรากับให้อภัยกับเขาเราก็จะมีความสุขเขาก็มีความสุขและถ้าเราให้ธรรมะกับผู้อื่นแล้วเขาสามารถนำเอาไปปฏิบัติได้เช่นปฏิบัติอย่างที่เราได้ยินได้ฟังในวันนี้เขาเอาไปแล้วเขาก็ทำเอาไปทาบุญทาทาน ไม่ว่าจะเป็นวัตถุทานก็ดีวิทยาทานก็ดีอภัยทานก็ดีหรือธรรมทานก็ดีก็จะทําให้ตัวเขาเองมีความสุขและจะทําให้ผู้อื่นที่ได้รับการช่วยเหลือมีความสุขก็จะทําให้สังคมเราอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขเพราะธรรมะจะสอนให้เราช่วยเหลือกันและกันไม่ให้มีความเห็นแก่ตัว ทุกวันนี้ที่โลกเรามีความวุ่นวายก็เพราะใจของคนเรานี้ขาดธรรมะขาดคำสอนของพ่อพุทธเจ้าจึงถูกความหลงคือความเห็นแก่ตัวเข้ามาครอบงำทุกคนต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้ ท, กกทุกคนก็พยายามหาหาสิ่งนั้นสิ่งนี้กันแล้วก็เกิดการแก่งแย่งชิงดีเกิดการทำร้ายกัน เพราะเมื่อมีการแข่งขันกันแล้วก็ต้องเอาเอาให้ชนะให้ไ ด, ด้ด้วยวิธีถูกต้องก็ได้ถ้าไม่ได้ด้วยวิธีถูกต้องก็ต้องใช้วิชามานใช้วิธีที่ไม่ถูกต้องสังคมเราจึงมีความเดือดร้อนความวุ่นวายไม่ได้เป็นเพราะอะไรไม่ได้เป็นเพราะว่าโลกนี้ไม่มีอะไร ไม่ไม่มีอะไรพอเพียงกับการอยู่ของพวกเราในโลกนี้มีสิ่งต่างๆมากมายก่ายกองมากเกินกว่าที่พวกเราจะสามารถเอามาใช้ได้แต่สิ่งที่โลกนี้ขาดก็คือธรรมะแสงสว่างที่จะสอนให้มนุษย์เราอยู่ร่วมกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขโลกนี้เราสามารถอยู่กันแบบมีความสุข ก็ได้เลยอยู่กันแบบด้วยความเดือดร้อนวุ่นวายใจก็ได้ขึ้นอยู่ว่าเราจะอยู่แบบไหนถ้าเราอยู่แบบเห็นแก่ตัวเห็นแก่ความอยากความต้องการของเราอย่างเดียวไม่คิดถึงผู้อื่นอย่างนี้โลกก็จะเป็นโลกที่มีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายแต่ถ้าเราอยู่ด้วยการเห็นแก่ผู้อื่นส่วนของเราเราก็หามา แต่เราก็หามาด้วยความไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นแล้วถ้าเรามีมากเกินความจำเป็นมีเหลือกินเหลือใช้แล้วเราเห็นผู้อื่นที่เขาไม่มีความสามารถที่จะพึ่งพาตัวเขาเองได้เราก็ต้องช่วยเหลือเขานี่ถ้าเราทำแบบนี้โลกของเราก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข จิตใจของคนเราก็จะเป็นเทพเป็นพระกันไม่ได้เป็นยักษ์เป็นมารกันอยู่ที่ว่าเรารู้จักคําสั่งสอนของพ ร, พ, พระพุทธเจ้าหรือเปล่าเท่านั้นเองถ้าเรารู้จักและเราปฏิบัติตามได้โลกนี้จะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขทุกคนจะเป็นพระเป็นเทพกันและ ไม่ช้าก็เร็วทุกคนก็จะสามารถปฏิบัติตนให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างแน่นอนเพราะพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี้มีมีอนุภาพอย่างนั้นทำให้พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้ว ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงแล้วถ้าพวกเรานำเอาคำสอนของพระ พ, พ, พุทธเจ้ามาปฏิบัติเราก็จะได้ผลเช่นเดียวกันอย่างแน่นอนไม่ไม่ช้าก็เร็วเท่านั้นเองดังนั้นเราจึงควรทำบุญกันอยู่เรื่อยๆและทำในสิ่งที่เราสามารถทำได้เมื่อเราทำบุญให้ทานได้แล้ว ขั้นต่อไปเราก็ขยับขึ้นไปสู่บุญที่สูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งคือการรักษาศีลเราจะพยายามละเว้นจากการเบียดเบียนผู้อื่นด้วยการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตด้วยการไม่ลักทรัพย์ด้วยการไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปลดมดเท็จไม่เสพสุรายาเมาถ้าเราสามารถรักษาศีลได้ ใจของเราก็จะสงบมากขึ้นไปอีกระดับหนึ่งความสุขก็จะมีมากขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแล้วเมื่อเรามีความสุขมีความสงบมากขึ้นแล้วเราก็จะเห็นคุณค่าของความสุขของความสงบเราก็อยากจะทำให้มีมากยิ่งขึ้นไปเราก็ต้องขยับขึ้นสู่อีกระดับหนึ่งคือการภาวนา การภาวนานี้ก็มีอยู่สองระดับด้วยกันเรียกว่าสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนา <c oughs> สมถะภาวนาก็คือการเพ่งจิตให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเพ <c oughs> ื่อไม่ให้จิตไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเมื่อจิตไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆได้ยอย่างต่อเนื่องสักระยะหนึ่ง จิตก็จะสงบตัวลงจิตก็จะรวมเป็นหนึ่งเป็นเอกตารงบ่อยวางอารมณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ที่มาทางตาหูจมูกนิ้วกายหรือใจในขณะนั้นใจจะไม่สนใจใจจะไม่รับรู้ถึงแม้จะรู้ว่ามีเสียงถึงแม้ว่าจะรู้ว่ามีกลิ่นหรือมีอะไรก็ตามแต่ใจจะไม่ไป เกี่ยวข้องด้วยใจในขณะนั้นจะเหมือนกับคนที่นอนหลับสนิทเวลานอนหลับสนิทเวลาจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นคนนอนหลับก็จะไม่รับรู้อะไรทั้งสิน้นเพียงแต่ว่าการที่ในขณะที่จิตสงบนั้นไม่เหมือนกับความการหลับตรงที่ว่าจิตยังมีสติรู้อยู่ตลอดเวลาและมีความสุข <c oughs> มีความอิ่มมีความพออยู่ในใจิตในใจซึ่งต่างกับการนอนหลับสนิทหลังกันตรงนี้เท่านั้นเอง <c oughs> ถ้าเราได้สัมผัสกับความสุขแบบนี้แล้วเราก็อยากจะให้มีอยู่เรื่อยๆแต่เนื่องจากว่าเราไม่สามารถ <c oughs> อยู่ในสมาธิแบบนี้ได้ตลอดเวลา พอเราต้องออกมาทำภารกิจต่างๆต้องไปเรียนหนังสือต้องไปทำงานต้องไปทำอะไรต่างๆถ้าเราอยากจะรักษาความสงบของจิตให้เป็นเหมือนในขณะที่เรานั่งอยู่ในสมาธิเรายังสามารถทำได้ด้วยการเจริญวิปัสสนาวิปัสสนานี่คือการรักษาจิตใจในขณะที่ จิตเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆเวลาเราไปเกี่ยวข้องกับอะไรเราก็ต้องมีวิปัสสนาที่จะคอยดึงจิตไม่ให้ไปหลงไปยึดไปติดกับสิ่งต่างๆเพราะถ้าเราไปหลงไปยึดกับสิ่งต่างๆแล้วก็จะเกิดความกังวลใจขึ้นมาเกิดความห่วงเกิดความหวงขึ้นมาเวลาเราได้อะไรมาที่เราชอบที่เรารัก เราจะยึดติดทันทีเราจะเกิดเราอยากเราก็เราจะอยากให้อยู่กับเราไปนานๆเราจะคอยห่วงคอยกังวลว่าเวลาที่เราไม่เห็นสิ่งที่เรารักแล้วนั้นยังจะอยู่กับเราต่อไปหรือเปล่า mm hmm. นี่คือปัญหาของพวกเราเวลาเราไปเห็นอะไรไปได้ยินอะไรไปพบกับอะไร เราก็จะเกิดความอยากได้ขึ้นมาแล้วเกิดความรังเกียจขึ้นมาไม่อยากได้ก็มีอยากให้สิ่งนั้นนั้นหายไปพ้นจากเราไปแต่เราอยู่ในโลกที่สิ่งต่างๆเขาไม่ได้เป็นไปตามความอยากความต้องการของเราเขาเป็นของเขาตามเรื่องตามราวของเขาเราไม่สามารถที่จะไปบังคับให้เขา เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เสมอไปแต่สิ่งที่เราสามารถบังคับได้ก็คือใจของเราถ้าเรามีวิปัสสนาถ้าเราพยายามสอนใจไม่ให้ไปยึดไปติดกับสิ่งต่างๆเพราะสิ่งต่างๆที่เรารักก็ดีหรือที่เราเกลียดก็ดีไม่ได้เป็นสิ่งที่จะอยู่กับเราไปตลอด ถ้าเรารักแล้วเกิดเขาจากเราไปเราก็จะเสียใจถ้าเราเกลียดแล้วเกิดทขาโผขึ้นมาให้เราเห็นหน้าเราก็ทุกข์ใจเหมือนกันแต่ถ้าเราทําใจให้เฉยๆไม่ไปยินดียินร้ายกับสิ่งต่างๆกับคนนั้นหรือคนนี้เขาจะมาก็ได้เขาจะไปก็ได้ถ้าเราสอนใจเราไม่ให้ไปยึดไปติดกับเขา สอนใจให้เราวางเฉยให้เป็นอุเบกขาเหมือนกับในขณะที่เรานั่งอยู่ในสมาธิเราก็จะสามารถทำให้ใจของเรานั้นสงบเย็นได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะมีอะไรมากระทบทางตาก็ดีทางหูก็ดีทางจมูกก็ดีทางลิ้นก็ดีทางกายก็ดี เราสามารถรักษาใจของเราให้วางเฉยได้ด้วยวิปัสนาภาวนาคือพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกไม่สมควรไปยึดไปติดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เป็นของเราทุกสิ่งทุกอย่างไม่อยู่ในอำนาจอยู่ในการควบคุมของเราเสมอไป เราก็ต้องปล่อยวางถ้าเราเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้เราก็จะปล่อยวางเมื่อเราปล่อยวางแล้วเราก็จะไม่เดือดร้อนเขาจะทำอะไรเขาจะเป็นอะไรเราก็จะไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเราหลงไปยึดไปติดเช่นเรามีลูกแล้วเรารักลูกเรามากเราก็อยากจะให้ลูกเราดีแต่ลูกเราบางทีเขาก็ไม่สามารถทำตัวของเขาให้ดีเท่ากับความอยากของเราได้ ทั้งๆ ท, ที่เขาก็ดีอยู่แล้วแต่ใจเรามันอยากมากไปกว่านั้นเราก็จะสร้างความทุกข์ของเราให้เกิดขึ้นแต่ถ้าเรายอมรับความจริงว่าเขาทำได้แค่นี้เขาดีได้แค่นี้เราก็พอใจเท่านี้เราก็มีความสุขได้เราต้องฝึกทําใจของเราให้ยินดีตามมีตามเกิดอย่าไปอยากมากจนเกินไป เราช่วยเขาได้สั่งสอนเขาได้อย่างนี้เราทำได้ก็ทำไปแต่ถ้าเขาไม่ได้เป็นไปอย่างตามอย่างที่เราต้องการให้เขาเป็นก็อย่าไปเสียใจอย่าไปยึดอย่าไปติดถือว่าเราได้ทำหน้าที่ของเราแล้วได้ช่วยเหลือเขาแล้วเหมือนกับเราเอาเงินไปให้เขาแต่เขาไม่ยินดีรับก็ไม่เห็นจะเสียหายอะไร ถ้าเขาไม่ต้องการเงินเราก็เก็บเงินนี้ไว้ใช่อย่างอื่นได้แต่เราไม่ต้องไปเสียใจว่าทำไมเขาจึงไม่รับเงินของเราเขารังเกียจเงินของเราหรืออย่างไรอย่าไปคิดให้เสียเวลานี่คือวิปัสสนาภาวนาคือสอนใจให้เราปล่อยวางอย่าไปยึดอย่าไปติดโดยให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราถ้าเราสอนใจของเราอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยๆแล้วใจของเราก็จะมีความสุขมีความสงบอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะนั่งสมาธิหรือไม่นั่งสมาธิไม่ว่าจะอยู่คนเดียวหรือจะอยู่กับหลายๆคนใจของเราก็จะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุการณ์ต่างๆแต่ถ้าเราไม่มีวิปัสสนาใจของเราจะ ยึดจะติดกับสิ่งต่างๆแล้วก็จะเปลี่ยนไปตามกับเหตุการณ์ต่างๆถ้าเป็นเหตุการณ์ที่ดีเราก็จะมีความดีอกดีใจถ้าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ดีเราก็จะเดือดร้อนวุ่นวายใจ <c oughs> นี่เป็นสิ่งที่เราสามารถป้องกันได้สามารถรักษาใจของเราให้มีความสงบมีความสุขได้ตลอดเวลาถ้าเราน้อมเอา พอทำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติมาทำบุญกันด้วยวิธีการต่างๆเช่นการให้ทานรักษาศีลการภาวนาการภาวนาการฟังเทศฟังธรรมเป็นต้นนี่คือการที่จะสร้างความสุขสร้างความ <c oughs> หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายให้กับใจของเราไม่มีอะไรที่จะทำได้ นอกจากพ่อธรรมคำสอนและการปฏิบัติของเราเท่านั้นจึงขอให้ท่านจงมีความเชื่อมั่นในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนและพยายามปฏิบัติ <c oughs> ให้ได้มากเท่าไหร่ได้ยิ่งดีแล้วท่านจะได้พบกับความสงบสุขที่แท้จริงต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้